บระหารเป็นที่ผ่้ทำนาปราศัยสันใบเพื่อบังคุกงามความดีา ว, าวามศูนย์าวนาของท่านให้แจกาปาปราศัยเพราะฉะนั้นขอให้คุณงามความดีของท่านระานนาาทำในวันนี้คือจะเป็นที่ประพอใจแจ่พระราชนาใจหรือพ่อกับสิ่งศัสิทธั้นานั้นท่านที่อยู่ในสากราวรจสกาวาลประธานทุกที่ทุก สถานแห่งรัตนไตรเะดิย์สถานของคุณมนุษ์โลกเทเบโลกสรรมโลกก็ตามที่สถานที่เจดีม์เือนีมีหน้าตาประดิษานของพระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ตามเรู้ยญสีมหาพรตพระพุทธบาทก็ตามปฏิมากรก็ตามที่รวบรวมคุณนันตังฉะนั้นขอให้มาสริสร้างอยู่ในศร่างของท่านกบเป็นความอันยิ่งเสริฐถึงนินุษิธรรมเป็นที่อยู่ เป็นคู่พัฒนาใจสถาบันรวมให้เวิดผลประโยชน์นชาตินี้ในชาตินา้เจตจำนงค์ปราศธนาทั้งหญิงแลชายทั้งข้าวแก่นมควารกลางขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ประสบกับความสิบประการเทวดายังเงิมทั้งหลายที่จะเกอยอ่ไ้จากควาโรกรห์ให้มาประสิทธศาสตรพร้อมด้วยที่บารมครูทุกๆกองที่ปรนนิสายไปแล้วจึงจะแของกาศนา ทั้งรับเจคพรี่อยากเจ้าอารหันใจเจ้าโปรดทิสวดเจ้าทุกทุกสะอองนานนั้นคือจะมาเรียงรับตัดรบพระสมาสมภุรเจ้าแต่ท้ายศาสนานี้คือภาษีอริยมุติใจบรมกูเพราะองไดขอให้ประภาษีประสาทความให้แจกญาติโยมในท่านทั้งหลายโปรดกันยังให้สมความใจฝากรวยกศาสธนาทั่ทั่วกันขอท่านโยมสมบูรณ์ด้วยจตุปรมสี่ประการที่จะบรรดาให้เกิดอํานาจหรือ ฤทธเดอนุภาพแห่งพระรัตนตไัยจะเป็นความดีดังนั้นขอให้ได้ไดสมความปรารถนาดังกล่าจะมาจะให้ต่ใจนักการแบบ น, นี้คือยะถาวารีวะหาภูราภิริปรมติสาะครังเอแลีเนยิบโตเท่นางเตือนนางุปกจะปติอิกธิที่ตังติตังติที่ประเนว่าวัตุตุตุสุตุปุริตุสังกตจันโทปนาราโสยะถาคือเจริญโสภา วินาศตุมาตเถราปันตระโยติติ迦โยกปิปนิจังบุตรประชายินโอชาโรธรรมวัฒน์ที่อายุอันนุัง <monstr ous>